ท่านมีคำถามแทรกเข้ามาว่าข้อนี้จะพึ่งรู้ได้อย่างไรรู้ได้เพราะพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าอนาน์เพราะเหตุนั่นแหละทำนั่นแลเป็นเหตุเป็นนิทานเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นปัจจัยแห่งชรามรณะคือชาติเนี่ยชรามรณะเกิดจากอะไรเกิดจากชาติชาติเกิดจากอะไรพบพบเกิดจากอะไรอุปาทานอุปาทานเกิดจากอะไร ตันหาตันหาเกิดจากอะไรเวทนาเวทนาเกิดจากอะไรพัสสะเกิดจากอะไรสลายยตนะสลายยตนะเกิดจากอะไรนามรูปนามรูปเกิดจากอะไรวิญญาณวิญญาณนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสังขารแล้วสังขารน่ะปัจจัยแห่งสังขารเหตุที่ทําให้สังขารเกิดคืออวิชารวมความว่าปัจจัยจะทำมีอวิชชาเป็นต้น เป็นตัวเหตุเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวว่าปัจจัย12คือปฏิจจสมุปบาท12ก็คือตัวปัจใจนี่แหละที่ทําให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อของตัวเหตุหรือตัวปัจจัยตัวนิทานตัวสมุทัยนั่นแหละคะําอธิบายว่าชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะอาศัยคือมุ่งหน้าต่อกันและกันไม่ปฏิเสธความพร้อมเพรียงของเหตุให้ปัจจัยที่เกื้อกูลการเกิดขึ้น คือปฏิเสธเหตุไม่ได้อะนะเพราะเพราะอะไรเพราะตัวปัจจัยเนี่ยนะเป็นตัวที่มอบผลให้ถ้าขาดปัจจัยคือต้นเหตุสัอย่างเดียวผลนั้นนั้นก็เกิดไม่ได้เนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งการอาศัยปัจจัยอันควรเป็นปัจจัยซึ่งต้องอาศัยกันเป็นไปจึงชื่อว่าจึงเกิดสัมพันธ์กันโดยไม่เว้นปัจจัยชื่อว่าปฏิจจสมุปาฏิเสธปัจจัยไม่ได้อย่างชีวิตของเราที่ดำรงอยู่นี่เนี่ยปฏิเสธปัจจัยได้ไหม ไม่ได้เพราะดําดรงอยู่ด้วยปัดใ จ, จปัคําว่าปฏิจจสมุปบาทได้แก่เหตุที่ประกอบด้วยความสามารถในการให้เกิดผลตัวเหตุที่ให้ผลเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเรานั่งคําถามว่ารูปทั้งรูปที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยรูปนะีถ้าพูดยอ่อเรียบสลับเรียกตรงตามเป็นจริงรูปเรล่านี้เกิดจากวิญญาณเป็นปัจจัย นะรูปที่เป็นกรรมมะชรูปเกิดจากกรรมมะวิญญาณจิตตะชรูปเกิดจากอันนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากวิญญาณทั้งสี่อันนั้นทั้งกรรมมะวิญญาณวิปากวิญญาณเป็นต้นอันนั้นมาจากจิตตะชรูปวิญญาณเหล่านี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากสังขารสังขารเกิดจากอะไรก็เกิดจากอาวิชชาแล้วนามรูปเหล่านี้เป็นปรูปเหล่านี้เป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยก็เกิดผัสสะเป็นต้น คำว่าปัจจัยนี่หมายถึงสิ่งที่สามารถมอบให้ผลเนี่ยเกิดขึ้นได้นะทให้ผลเกิดขึ้นได้แล้วก็ผลเหล่านั้นปฏิเสธเหตุนั้นก็ไม่ได้ด้วยปฏิเสธเหตุไม่ได้เลยปัจจัยชื่อว่าปฏิ จ, จะเพราะเป็นที่ควรอาศัยเฉพาะของบัณฑิตหมายก็ว่าแสดงว่าคนที่จะรู้ปัจจัยได้ก็ต้องเป็นบัณฑิตชื่อว่าสมุบาทสมุ ป, ป, ปาทะเนี่ยนะ เพราะให้เกิดขึ้นโดยชอบหรือเกิดขึ้นด้วยตัวเองปฏิจจานั้นด้วยสมุบาทนั้นด้วยชื่อว่าปฏิจจสมุบาทอันนี้ก็เป็นอะไรยอมเป็นอะไรเป็นสมาร์ทอะไรทวันทวะสมาตรไหมปฏิจจสมุบาทอันนี้เนี่เป็นอนุโลมมันในอนุโลมแปลว่าหมายถึงตัวปัจจัยการที่เป็นไปโดยลำดับเนี่ยนะ ถ้าเรียกว่าอนุโลมเพราะกระทํากิจที่ตนควรกระทําอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอนุโลมเพราะท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดหรือเพราะอนุโลมไ ป, ไปตามความเป็นไปอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปการไหลเสื่มเนื่องไปอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมเรียกว่าอนุโลมสาทุกังมณสิกาสิเนี่ยนะมณสากาสิแปลว่ากระทําไว้ในใจโดยเคารพอธิบายว่า ปัจยธรรมใดๆเป็นปั จ, จัยแก่ปัจยุบรรธรรมใดๆเหตุใดเป็นปัจจัยแก่ผลใดมีแต่ใดมีแต่นั้นนะนะบาลีเป็นอย่างนี้แหละอวิชชาใดเป็นปัจจัยแก่ผลคือสังขารใดอย่างเงี้ย น, นะเอกโดยความเป็นปัจจัยมีเหตุปัจจัยเป็นต้นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารด้วยเหตุปั จ, จัยเป็นต้นเนี่ย น, นะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำธรรมะทั้งหมดนั้นไว้ในพระไตยโดยไม่วิปริต ไม่ให้ลดลงโดยทรงพิจารณาหมดไม่ให้เหลือพิจารณาเกลี้ยงเลยนเหนนไม่มีส่วนเหลือจริงๆเลยทีนี้การแสดงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแสดงสองอย่างแสดงแบบย่อกับแบบพิสดารเนี่ยย่อคืออะไรแสดงแบบย่อๆก็คืออิติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสอสสุปปาทาอีทางอุปัชติอันนี้แสดงแบบย่อมากเลย ในย้อนไปท่านหน้าหนึ่งอะนะหน้าหนึ่งนับขึ้นบรรทัดที่สีนั่นแหละแสดงแบบย่อเนี่ยนะในหน้าหนึ่งบรรทัดที่สี่ที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดนี่ปฏิจจสมุปาฏย่อมากเนี่ยนะประเภทอุคติตันยูจริงๆริมหาอุคติตันยูจริงจริงกินกระฟังเข้าใจเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดอะไรเกิดกันแน่มีแต่สิ่งนี้สิ่งนั้นอะนะมีแต่นี้พออันนี้เกิดอันนี้ก็เกิด พูดอย่างนี้เขาเข้าใจเลยทําบุญอะไรมาเนาะสาชาติสุดท้ายแน่นอนนะจึงจะฟังเข้าใจเนี่ยถ้าเป็นมาเจอในาพระตัยวิ덕อ่านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามาดูนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไอสิ่งนี้มีสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือวิชามีสิ่งนี้คือสังขารก็มีเพราะสิ่งนี้คือวิชาเกิดสิ่งนี้คือสังขารจึงเกิดเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยก็ไล่สืมเนื่องไปอย่างงี้ เพราะสิ่งนี้คือสังขาร เ, เพราะสังขารมีสิ่งนี้คือวิญญาณจึงมีะนะก็ค่อยเสือบไล่ไล่ไป น, นี่เป็นแบบฟอร์มให้สรุปว่าเมื่อปัจจัยมียวิชาเป็นต้นมีผลมีสังขารเป็นต้นก็มีขึ้นเพราะปัจจัยมียวิชาเป็นต้นเกิดผลมีสังขารเป็นต้นจึงเกิดก็เหตุเกิดผลก็เกิดแค่นั้นแหละ ส่วนในรายละเอียดเนี่ยนะก็เป็นการยกข้อความทั้งสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรที่สามาแสดงแบบสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยเนี่ยนะนผู้ที่เรียนหรืออ่านปสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามมาเป็นอย่างดีนะอ่านในหน้าหกสิหกิบเอ็ดนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยนะแต่อยากจะกล่าวในหน้าหกสิเอดเลยนะย่อหน้าข้างล่างเขาถามว่าชื่อว่าอะ อนี่โรธะอันนี้โรธ ะ, นนรธะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ดับอัติภาวะคือภาวะที่มีอยู่อุปาธะความเกิดขึ้นสามคำนะหนึ่งการไม่ดับความมีอยู่และก็ความเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรตอบว่าภาวะที่ยังละภาวะที่ยังไม่ได้ละถ้ายังไม่ได้ละอวิชาเนี่ยสังขารจะเกิดไหม ถ้ายังไม่ละอวิชชาเนี่ยสังขารยังไงก็เกิดถ้ายังไม่ละสังขารวิญญาณจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะไอ้คําว่าไม่ดับภาวะที่มีอยู่อุปาทะคือยังละไม่ได้ภาวะที่ควรเพิ่มผลโดยไม่ละภาวะที่ควรแก่ผลอันยังไม่เกิดหมายคำว่าถ้าไม่ตัดตัณหาหรือไม่กําจัดต้นเหตุผลที่จะเกิดเพราะเหตุเนี่ยมีไหมก็มีหรือ ภาวะที่อากุโสรธรรมที่จะพึงละนั้นอันอริยมรต ก, ก็ยังไม่ได้ถอนขึ้นการละอวิชาละสังขารเป็นต้นต้องต้องถอนด้วยอริยมรตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้ายังไม่เจริญอริยมรตจนมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็แปลว่าไม่ได้ถูกถอนอย่างแท้จริงเนี่ยนะยังไม่หายขาดนะเพียงแค่บรรเทาอาการนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเจริญกุศลทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้ละเด็ดขาดแต่เป็นกลมบรรเทาอาการเท่านั้นเอง ส่วนภาวะที่กุศลธรรมและอัพยากตะธรรมที่ไม่จําต้องละยังมีอยู่สําหรับผู้ที่ยังละสังโยชน์ไม่ได้ผู้ที่อาสวะยังไม่สิ้นละสังโยชน์ไม่ได้เนี่ยน ะ, ะปกติแล้วกุศลธรรมและอัพยากตะธรรมเนี่ยมันเป็นปหาตปรธรรมไหมจะต้องละไหมกุศลกุศลเนี่ยต้องไปละไหมอัพยากตะธรรมนี่ต้องละไหมไม่จําเป็น แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังมีอาสวะยังละสังโยชน์ไม่ได้เนี่ยแสดงว่ากุศลรธรรมและอพยากตธรรมเนี่ยนะไม่ได้ตัดไม่ยังไม่ได้ถูกถอนฉันทราคาโดยเด็ดขาดใช่ไหมไอความที่ยังไม่ได้ถอนฉันทราคาในกุศลธรรมและอัพยากตะธรรมเนี่ยแหละอั น, นสรุปว่าทั้งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสครั้งเนี่ยเรียกว่าอ น, นิโรธคือความไม่ดับ ที่ภาวะความมีอยู่อุปาท t คือความเกิดขึ้นสรุปนะถ้าไอ้จริงอยู่ตรงนั้นอะเท่ากับว่าสรุปที่พูดมาแล้วบอกว่าความเป็นไปแห่งขันพร้อมทั้งสิ้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะภาวะที่าภาวะเมียอนุสัยยังถอนขึ้นไม่ได้สรุปว่ายังไม่เคยเอามาทำปริญญาจนถอนอาสวะกิเลสอะไรเลยปล่อยให้ชีวิตนะชีวิตของคนมีกิเลสเดินไปได้นั่นแหละ ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกายนี้ของคนพานนั่งกันอยู่เนี่ยเนาะถูกอวิชาใดหุ้มห่อไว้เอา้าก็มีกระฟองนี่ห่อไว้นะฟองคืออวิชาห่อไว้หรือว่าลืมตาปั๊ปปิ้งเลยนี่ทุกเป็นต้นเนยนะเป็นอย่างนั้นหรือยังถ้าเป็นก็อนุมโมทนาด้วยนะขอโทษด้วยที่พูดมเมื่อกี้ทาบ่ถ้ายังไม่ได้ถอนอะไรเลยก็กายนี้ของคนพานถูกอวิชาใดหุ้มห่อเอาไว้ อวิชชาห่อแล้วไม่พอนะตันหายังสัมปยุทธ์ด้วยตันหาเนี่ยนะกล่าวว่าอาวิชชาเนี่ยห่อไว้นะ่ไหมาแล้วยังไม่พอยังชอบไปต่างหากนะันอวิชชานั้นน่ะคนพ่านยังละไม่ได้และตันหานั้นก็ยังไม่สิ้นไปทําไมยังเป็นอย่างนั้นทําไมไม่ถอนอวิชชาทําไมไม่ละตันหาซะ ข้อนั้นเพราะหตุไรดูความพิสูจน์ทางหลายเพราะคนพานไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะฉะนั้นคนพานย่อมเข้าถึงกายอื่นอีกเพราะกายแตกหมายว่ากายนี้แตกไปก็ถือเอากายใหม่อีกใช่ไหมคนพานนั้นเมื่อเข้าถึงกายหมายว่าถ้าเกิดอีกก็ไม่พ้นไปจากชาติชาราและมรณะเนี่ยนะอันนี้คือลักษณะของคนพาลเนี่ยเป็นอย่างนั้น อวิชากับตันหาอาวิชาระด้วยอะไรอวิชาระด้วยวิปัสนาตันหาละด้วยสมถะละเด็ดขาดจริงๆต่อเมื่อสมถะและวิปัสนาควบคู่กันไปเมื่อสมถะวิปัสนาควบคู่กันไปนั่นแหละจึงมีการละละอวิชาละละตันหาได้จริงเนี่ยนะแต่คนผานไม่ยอมทำอย่างนั้นหรอกคนผานไม่ประพฤติพรหมจรรย์คือสมถะเละ วิปัสนาเมื่อคนพานไม่ประพฤติสมถวิปัสนาเพื่อความสิ้นวัตถุทุกคนพานก็เลยพอทิ้งกายนี้ก็ถือเอากายใหม่ทิ้งกายนี้ด้วยอำนาจมรณะก็ถือเอากายใหม่ด้วยอำนาจชาติพอเกิดมาแล้วก็ชราและมรณะก็ถูกต้มอยู่หลายชาติด้วยกันในชะ่ไเถ้าเกิดเป็นไก่ก็ไปทอดหรืป่เาเขาแบ่ง้วทอดกลืงหนึ่งต้มกึงหนึ่งอะไรอย่างี้ ก็อวิชาของผู้สิ้นสังโยตแล้วไม่มีสังขารจึงไม่มีหมายความว่าถ้าอรหัตตะมักเกิดขึ้นตัดฉันทราคาได้โดยเด็ดขาดอาวิชาก็ดับไปใช่ไหมถ้ า, าวิชาดับสังขารก็ดับเพราะตัญหาและอุปาทานไม่มีอุปาทานและพบจึงไม่มีนะก็ในปฏิโลมวาระใช่เพราะเหตุนั้นวัตตะจักปรากฏความขาดสิน้นเนี่ยนะ เหมือนกับโซ่เนี่ยนะโซ่ยาวๆเนี่ยนะถ้าตัดขาดสักเส้นเดียวแ ล, ล้ว ห, หลุดหมดเลยใช่ไหมหลุดหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพักคุณะก็เพราะดับด้วยการสํมรอดภาษายตนาหไม่เหลือภาษาจึงดับเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเป็นต้นอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตั้งแต่บรรลุเป็นพร Hans, อะอรหันบรรลุอรหัตตมรรคจนถึงปรณีพาน อายตนะหกจะไม่เป็นไปก็หาไม่ได้เหมที่บอกว่าสโรคกภาษายตนะคือดับภาษายตนะหกไม่เหลือผ่าหันตาบอกเลยใช่ไหมหูหนวกเลยหรือเปล่าเอาแล้วทำไมบอกว่านี่ดับไม่มีส่วนเหลือท่านก็เลยบอกว่าอายตนะหกจะไม่เป็นไปก็หาไม่ได้ หมายคําว่าไอ้ที่ดับอายตนะหคือดับอายตนะ6ในพบใหม่เนี่ยนะนับในพบใหม่ไอ้ อ, อายตนะ6เหล่านี้เป็นผลของกรรมเก่าแล้วสมมุติว่าอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านยืนเดินนั่งนอนชีวิตที่ท่านดําเนินเป็นไปเนี่ยนะตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าของท่านกรรมตัวนั้นเป็นปัจจัยให้มาเกิดแต่ที่ท่านปฏิบัติเพื่อดับเนี่ยคือดับต้นเหตุที่จะทําให้เกิดใน พใหม่โน่นเนี่ยนะท่านปฏิบัติเพื่อกําจัดพบใหม่เนี่ยอริยมรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าดับชาติเนี่ยไม่ใช่ดับชาตินี้แต่ว่าอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยตัดปัจจัยที่จะให้เกิดในชาติหน้าแต่ถ้าบอกว่าไปดับชาติหน้าบอกได้ไหมไม่ได้ชาติหน้ามยังไม่เกิดไปดับมันทำไมแต่บอกว่าตัดปัจจัยที่จะทําให้เกิดในพบใหม่ก็ประมาเหมือนกับพูดแบบอ้อมๆก็ เขาเท่ากับตัดชาติหน้านะแต่ตรงๆ ต, ตัดตัดได้ที่ไหนล่ะชาติหน้ายังไม่เกิดไปดับมันทำไมเพราะฉะนั้นคำว่าโดยที่แท้ท่านกล่าวถึงนิโรธเพราะภาวะที่ไม่มีภาวะที่ควรกล่าวด้วยนิโรธสับภาวะที่สิ้นสังโยชนะนะก็อันนี้ก็ยกข้อความมาให้ดูนิดหน่อยนะพอไปได้ข้อมูล ส่วนในรายละเอียดที่เหลือเนี่ยนะใครที่อ่านแล้วก็ศึกษาทั้งบาลีวยากรณศึกษาพระสูตรที่อื่นๆมาเยอะเนี่ยนะเพราะว่าเนื้อหามจะโยงไปโยงมาโยงมาโยงไปเนี่ยคนศึกษาใหม่ๆเนี่ยยิ่งโยงมากยิ่งนะยิ่งได้เวลาโบกมืออำลาแล้วนะได้เวลามีธุระทันทีเลยแางนั้นเถอะ นึกถึงโทรศัพท์มั้งนึกถึงเพื่อนนึกถึงญาติยังไม่ได้รดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ก็ ว, ว่าไปนะนะเพราะว่ามันยากมากนะนะไได้โอกาสแล้วในปฏิจจสมุปาทเนนะโดยเนื้อหาสรุปก็คืออวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมี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 มาดูคำแรกเลยนะคำว่าอาวิชาก่อนเลยนะอวิชชาปัจยาสังขาราคำว่าอาวิชานี่คืออะไรเนี่ยนะเริ่มรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาททีระบบทไปเลยคำว่าอาวิชานี่นะอวิชชาในหน้า65เลยนะชื่อว่าอาวิชชาเนี่ยเพราะประสบสิ่งที่ไม่ควรประสบมีกายทุจริตเป็นต้นอบอกนิดหนึ่งว่าคำว่าอาวิชชาเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยหมายถึงการ ปฏิเสธวิชาหรือสิ่งที่เป็นศัตรูต่อวิชาอาตัวนั้นไม่ใช่อย่างเช่นมิตรมิตรนี่ก็คือผู้มีอุปการะใช่ไหมคนที่แบบอะไรนะมีเมตตามีไมตรีจิตต่อกันถ้าอามิตรนะ่ะคนไม่รู้จักกันใช่ไหมเรียกอามิตรไม่ใช่แปลว่าอะไรแปลว่าศัตรูคนจองร่างจองผลาญ น, นั่นแหละเรียกว่าอามิตร ฉันใดวิชาคือแสงสว่างใช่ไหมถ้าอาวิชาก็คือความมืดสนิทเลยศัตรูต่อวิชามั น, นอาตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเป็นปฏิปักษ์เช่นว่าอาโลภะนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะอโทสะนี่เป็นศัตรูต่อโทสะอาโมหะนี่เป็นศัตรูต่อโมหะอาวิชานี่ก็เหมือนกันศัตรูต่อวิชานี่นะก็เลยเรียกว่าอาวิชาอาวิชาในที่นี้เนี่ยนะไอสิ่งที่เป็นศัตรูต่อ วิชาตัวเนี้ยมันทําให้ไปประสบสิ่งที่ไม่ควรประสบมีกายะทุจริตเป็นต้นจริ ง, รงๆเนี่ยไม่ควรฆ่าใช่ไหมไม่ควรรักไม่ควรประพฤติผิดในกามแต่อวิชาบอกทําไปเลยไม่เป็นไรเนี่ยนะฆ่าได้ฆ่าเลยปล้นได้ปล้นเลยรักได้รักเลยเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เลยทําอย่างเงี้ยไม่น่าทําเลยใช่ไหมแต่ว่าทําไมต้องทอําอ่ะก็อวิชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะลูขาวหรือเปล่าขนข้าวขนของกัน บ้านเมืองไม่มีคือมีแปรเนี่ยนะลักขโมยปล้นกันจริงๆเลยนะเอาขนาดนั้นเลยนะทําไมเขาต้องไปทําชั่วอย่างนั้นอวิชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะให้ให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทําเลยเนี่ยนะนะไม่ประสบสิ่งที่ควรประสบหมายความว่าความดีทางกายวาจาใจเป็นต้นน่าปฏิบัติมากใช่ไหมแต่ว่าทํำไหมไม่ทําหมือะนะเพป็นกะะ็เรียกว่าความดีที่ควรทําก็ไม่ยอมทําความชั่วที่ควรเว้นก็ไม่เวน้น นี่แหละคืองานของอวิชชาแล้วแหะเขาทําทำยังไงก็ได้แกต้องเลวต่อไปอย่าทําดีเลยมีเหตุผลจนไม่ต้องรักษาศีลเคยได้ยินไหมไม่ใช่น้อยมีเหตุผลจนต้องไม่ต้องเรียนแล้วธรรมะว่างั้นนะมีเหตุผลจนต้องเฝ้าวตัตตนะ์สรุปลักษณะนั้นนี่แหละคืออวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะอ้างมีข้อแม้จนจนต้องทําชั่วนะมีข้อแม้จนต้องฆ่า อ้างเหตุผลเนี่ยเพราะเขาฆ่าพ่อผมเพราะเขาฆ่าญาติผมเพราะเขาเป็นศัตรูต่อผมพลาดผมไม่ฆ่าเขาเขาก็ต้องฆ่าผมสรุปแล้วผมต้องฆ่าเนี่ยคื อ, อวิชาและงานเขามันเป็นอย่างนี้แหละมันซ้อนให้มันอย่าว่ามันไม่รู้เฉพาะเนี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันไม่รู้อารยศัพที่เหลือมันรู้หมดนะว่ารู้ต้องฆ่าที่ไหนฆ่าเมื่ อ, อไรฆ่าอย่างไรฆ่ายังไงโ ด, โดยที่โอกาสรอดแทบไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันรู้หมดแหละไอ้แบบนี้รู้แต่ว่ารู้แบบเนี้ยจะเป็น ความรู้ที่เลวร้ายเนี่ยคืออวิชชาอาวิชชาเนี่ยไม่รู้เฉพาะอารยิยสัจนะที่เหลือมันรู้หมดน่รู้ว่าทํายังไงจะฆ่าได้มากมากฆ่าได้เยอะเยอะเป็นต้นนี่ยนะเพราะฉะอวิชชาเนี่ยความดีเนี่ยน่าทํอาอวิชชาก็ไม่ให้ทำหรอกใช่ไหมยอย่างสมมุติเราเห็นคนอื่นเขาผิดพลาดเนี่ยเราการุณาหรือโกรธทันทีเลยโดยมากอะนะเห็นเขาสมมุติเราเห็นเขามาหยิบของของเราไปเนี่ยนะ อวิชามันบอกโกรธเธอของเราห่วงมากเอาของเราไปได้ยังไงใช่มก็โดยมากมันเป็นอย่างนั้นอวิชามันจะสอนให้โกรธมันยังไม่สอนให้มีเมตตาหรอกมันอวิชาจะโกรธเธอมันน่าโกรธจริงๆนะนอัอวิชาจะบอกอย่างนั้นอวิชาก็บอกว่าโอ้สวยสวยจริงๆต้องหาให้ได้ต้องมีต้องมังมนเสี้ยมสอนจนเชื่อหมดอะ ว่านนี่คืออวิชามันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิชาเนี่ยนะไม่ยอมให้รู้ความจริงเลยและมันไม่ยอมให้คิดตลอดสายได้ไม่ยอมให้คิดตลอดสายด้วยนะมันขอให้มันโลกคิดอยู่แคบแคบมืดมืดตามภาษาความมืดเขื่ อ, อวิชาสรุปว่าสุจริตน่าทํามากสุจริต3นักายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติอวิชาบอกไม่ต้อง ความชั่วเนี่ยนะไม่น่าทำเลยอวิชชาบอกทำเธอทาเอเดี๋ยวไม่มีโอกาสแล้วถ้าไม่ฆ่าวันวันนี้นะวันหลังหมดแนะ่ไม่มีโอกาสแล้วอาอวิชชาบอกงั้นนะเหละถ้าไม่ปล้นวันนี้นะหมดสิทธิ์แล้วโอกาสหลังๆไม่มีงามแบบนี้อีกแล้วเนี่ยนะก็ลเลยต้องทำชั่วแบบนี้แหละต่อไปชื่อว่าอาวิชชาเพราะกระทำสภาวะแห่งธรรมะที่ไม่วิปริตไม่ให้รู้แจ้ง ความจริงเนี่ยมันน่าจะเห็นใช่ไหมวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธาคามไมีปฏิปทานเนี่ยนะมันน่าเห็นมากนะเพราะมันเป็นความจริงเป็นความแท้ที่ต้องเห็นต้องรู้อวิชาบอกไม่ต้องรู้หรอกอยู่นั่นแหละไม่เห็นไม่รู้ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเราก็อยู่ของเรามาตั้งนานแล้วใช่ไหมเกิดมาตั้งนานแล้วในวัฏฏะจะอยู่อีกต่อไปจะเป็นไรไปนี่นะครัมน่นอวิชามันบอกว่าอย่างนั้นแหละ ตกปิดไม่ต้องรู้หรอกอริยศัพท์ไม่จําเป็นเนี่ยนะครับยุคนี้ก็เลยบอกผู้ศาสนาไม่จําเป็นในชีวิตถามว่าพระพุทธศาสนาไม่จําเป็นในชีวิตของเขาเรารู้ได้อย่างไงว่าเขาไม่ต้องการไปที่ไหนนะขอขอให้ศีล น, นําหน้าไปเลยสมถวิปัสสนานําหน้าไปอย่างนั้นไหมเอาไหมนะน้าเอาใช่ไหมแต่ว่าไม่เอ า, <c oughs> อ า, านั้นอะวิชชาเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละอวิชชานี่ทําให้แล่นไปในภพ พบาํากำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้าให้ไหลไปในสงสารอันเว้นจากที่สุดหมายคำว่าให้ไหลไปสืบเนื่องอ น, นะทิ้งขันนี้ถือเอาขันใหม่ทิ้งชาตินี้ถือเอาชาติใหม่เนี่ยก็ไหลไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ให้จบด้วยนะมันวนอยู่นั่นแหละไม่รู้จบที่ไหนต่อไปอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาวิชชาเพราะเป็นปฏิปักษ์คือเป็นศัตรูต่อ วิชาอาวิชชานั้นทราบว่าแบ่งเป็น4อย่างก็คือหนึ่งไม่รู้ในทุกทุกเคอะญาณังคือไม่รู้ในทุกทุกขสมุทัยอาญาณังไม่รู้ในทุกขสมุ ท, ทัยนะไม่รู้ในทุกขนิโรธไม่รู้ในทุกขนิโรธถาขามินีปฏิปทาคืออวิชชาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูต่อสัมมาทิฐิเนี่ยนะเป็นศัตรูตอร่อมัคคะสัมมาทิฐิที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นข้าศึกเป็นศัตรูกันโดยส่วนเดียว อวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยคือไอคําว่าปัจจัยแปลว่าเพราะอาศัยไปคือเกิดขึ้นและเป็นไปโดยไม่เว้นผลอีกอย่างหนึ่งธรรมะมีการสนับสนุนเป็นอัดชื่อว่าปัจจัยเรียกอุปการะนะสิ่งที่เป็นอุปการะทําให้ผลเกิดขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าปัจจัยเพราะว่าปฏิเสธเขาไม่ได้เลยปฏิเสธสิ่งที่อุปการะไม่ได้ตัวอุปการะนั่นแหละเรียกว่าปัจจัยเช่นแม่มีอุปการะต่อ บุตรพราะนั้นบุตรปฏิเสธแม่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่บุตรก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นแม่ก็เหมือนกับปัจจัยบุตรก็เหมือนกับผลที่เกิดจากปัจจัยเพราะนั้นอวิชชานี้เป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารคืออะไรสังขารคือสังขารแบ่งออกโลกิยะเจตนานะเจตนา29เนะเป็นปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังข์ปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขาร ปุญญาพิสังขารก็คือรูปมหากุศล8รูปปาวจรกุศล 5. ้ปุญญาพิสังขารคืออากุศลเจตนา12องเนนชาพิสังขารคืออารูปอรูปประสัน อ, อารูปปชานเจตนาที่เป็นกุศลสดวงเรียกว่าเจตนา29อาวิชาเป็นปัจจัยให้ทําบุญอวิชาเป็นปัจจัยให้ทําบาปอาวิชาเป็นปัจจัยให้ได้อารูปประชาน ทำไมอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเป็นบุญน่ยคือบุญใดก็ตามที่เป็นการเจริญเพื่อวัตตะบุญนั้นชื่อว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยนะเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาปรารถนาวัตตะอย่างเดียวบุญเหล่านั้นชื่อว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยแต่ถ้าบุญใดที่ตั้งความปรารถนาเพื่อกำจัดวัตตะบุญนั้นเนี่ยไม่เรียกว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัย แม้กระทั่งการให้ทานการรักษาศีลปรารถนานิพพานเนี่ยบางแห่งก็บอกว่านี้เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติชอบส่วนมิจฉาปฏิปทาก็คือเนี่ยเจริญบุญเพื่อวัตตาการเจริญบุญเพื่อวัตตานี่เรียกว่าปฏิบัติผิดเนี่ยนะเป็นมิจฉาปฏิปทามั้นบุญใดก็ตามการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมถะที่เป็นฌานเป็นต้นถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อวัตตา อันนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ยนะอะปุญญาพิสังขา น, นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมว่าผิดขนาดไหนเพราะอะไรเพราะว่าผิดทั้งตอนที่ทำด้วยผลในภพต่อๆไปก็เป็นความเลวร้ายด้วยส่วนอเนชาพิสังขารก็คือโนอนาอรูปฌานก็เนื่องจากว่าปรารถนาจะไปเกิดที่นั่นเนี่ยนะต้องการใจเฝ้าวัตตะอยู่ร่าไปอะกลมนี่ยัง อาลาลดาบทอุตกะดาบทเนี่ยเขาคิดว่านั่นคือดินแดนแห่งพระนิพพานเขาเรียกว่าไปจบที่นั่นทุกอย่างนี่จบที่อรูปประพบใช่ไหมเขาก็อันนั้นแหละจึงเป็นมิจฉาปฏิปทาแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่เกิดในอรูปประพบไม่ได้ชื่อว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาอะไรนะเพราะว่าในที่สุดท่านก็ต้องปรินิพพานเนี่ยนะเพราะท่านรู้ข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจอยู่แล้ว ส่วนวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณคือรู้แจ้งวิญญาณมีอยู่32 32มีอะไรบ้างอหิโตกะวิญญาณ15เว้นอะไรเว้นกิริยาสมหาวิบาก8มหาคตาวิบาก9อันนี้หมายถึงโลกิยะวิญญาณวิบาก32ชื่อว่านามเพราะอัตถาว่าน้อมไปหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยน้อมไปเพื่อรู้อารมณ์ชื่อว่ารูปเพราะอัตถาว่าสลาย หมายถึงภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยหมหาภูตรูป24เนี่ยนะก็เช่นจกักขุปัสสาทะเป็นต้นนมพ่อน้อมไปรูปเพราะสลายชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นที่ต่อต่ออะไรเช่นตากับสีต่อการทำให้เกิดจิตเจตสิกหูกับเสียงต่อการทำให้เกิดจิตและเจตสิกหรือว่านำสัตว์ไปสู่ สังสารทุกเนี่ยนะชื่อว่านามเพราะนำสัตว์ไปสู่สังสารทุกน้ำไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละอายตนะเนี่ยนะนำสัตว์ไปสู่วัตตะเช่นเอาตาเอาตามาต่อตาเอาหูมาต่อหูเอาจมูกมาต่อจมูกเอาลิ้นมาต่อลิ้นเอากายมาต่อกายเอาใจมาต่อใจเพราะนั้ยวัตตะเมื่อไหร่มันจะจบนั้นอายตนะก็คือต่อพบนี้ไปสู่พบใหม่เนี่ยนะ ใครจะรู้ว่าตามองเห็นเนี่ยเชื่อมเยื่อใยให้มีตาชาติใหม่เรียบร้อยแลย้วเชื่อว่าผัสสะเพราะอัตถะว่าถูกต้องก็คือกระทบนะเชื่อว่าเวทนาเพราะเสวยอารมณ์ผัสสะเขาบอกว่าแม้ทั้งสองนั้นสองนั้นคืออะไรคือผัสสะและเวทนาเนี่ยว่าโดยทวารมี6ทวารว่าโดยวิบากมีทั้ง36โดยทวารก็คือทวาร6กใช่ไหมตาหูจมกูกลิ้นกายใจ วิบากก็สามสิบหกก็ไล่ไปตามทวารนั้นนั้นชื่อว่าตันหาท่านบอกว่าสะดุง้งว่าชอบอะไรในใจปกติอยู่หรือเปล่าไม่หรอกมันเลยเขาเรียกว่าสะดุง้งอะปริตตัสสะเนี่นะสะดุ้งเลยว่างั้นตันหานี้โดยย่อมีสามมณากามาตันหาภวะตันหาและวิภาวะตันหาพิสดารมากกว่านั้นก็ร้อยแปดนั่นแหละไอ้คําว่าสะดุ้งเนี่ยไม่ใช่ตัวสั่นไปหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหมายคาว่าผิดปกติทางความคิดแล้วว่างั้นน่ย บางทีคําว่าสะดุ้งก็คือวันไหวอ่ะนะอันเดียวกันเนี่ยวันไหวก็อะไรนะนพัทในคาถาธรรมบทมีอยู่เรื่องหนึ่งบอกพอได้ยินแต่ชื่อปั๊บนี่ใจก็ผิดปกติแล้วไม่ต้องเห็นหน้าเห็นอะไรกันหรอกใช่ไหมได้ยินแต่ชื่อนี่ก็ผิดปกติแล้วลักษณะนั้นก็เลยเรียกว่าสะดุง้งชื่อว่าอุปาทานเพราะถือมัน่นยึดถือนั่นแหละอุปาทานมีสี่ก็คือการมุปาทานเป็นต้นชื่อว่าพบเพราะอัตภาว่ามีอยู่และจักมี มีอยู่อันี่หมายถึงบิบากจากมีก็หมายถึงกรรมนั่นแหละเพราะมีสองก็คือกรรมมาพบกับอุปัติภพเนี่ยนะชาติคือความเกิดความเกิดชื่อว่าชาติความค่่าคร่าชื่อว่าชรามรณะเพราะเป็นเหตุให้สับตายถ้าไม่มีมรณะคงไม่ตายหรอกเนาะแปลว่าอะไรมรณะกับตายันต่างกันตรงไห น, นชื่อว่าโสกะเพราะเศร้ากับโศกนต่างกันยังไงก็คือทั้งอ่ะนะ โศกโศกเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีเศร้าภาษาไทย <c oughs> ก็เลยไม่รู้จะแปลยังไงโศกแปลว่าเศร้าโศกกัแล้วกันเศร้าด้วยโศกด้วยนะแสดงว่าบางคนบอกว่าเศร้านี่มันอย่างอ่อนครับวางเงนโศกมันอย่างแรงปริเทวะก็รำพันโบนบ น, บนอยู่นั่นแหละทุกข์ก็เพราะอะไรทนยากมันทนยากจริงๆนะถ้าเทียบกับความสุขนยะความสุขไม่ต้องทนเลย ความสุขไม่ต้องทนแต่ความทุกข์มันทนยากจริงๆเลยนะหรือชื่อว่าทุกข์เนี่ยนะเพราะมีสองขณะคือขณะที่เกิดก็ทุกข์ตอนที่มันตั้งอยู่ก็ทุกข์มันสบายอยู่ก็ตอนหายนี่แหละแต่ความสุขนี่ท่านบอกว่าชื่อว่าทุกข์เหมือนกันนะทุกข์เพราะอะไรเพราะจะหมดสุขนะสุขหมดเมื่อไหร่เนี่ยก็ทุกข์แล้วละประมานภาวะแห่งความเสียใจชื่อว่าโทมานัตเนี่ยนะใจเสียหมดเลยนะ ใจเสียบางแห่งก็บอกว่าอะไรเหมือนอะไรเหมือนข้าวบูดเหมือนกับข้าวบูดเนี่ยมันเสียสภาพแบบนั้นนะละภาวะปกติไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเสียใจก็ลักษณะนั้นนะละสภาพปกติไปหมดเลยกลายเป็นใจเน่าไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าใจใดเน่าเสียใจเนี่ยนะปาจาที่เปล่งออกมาเนี่ยมันกลิ่นแรงออกไปหมดแหละชื่อว่าอุปายาตก็คือความคับแค้นอันเหลือทนทนไม่ได้จริงๆเลยนะีย ใจนี่มันแห้งสนิทเลยนะกรอบหมดเลยนะเป็นอุปายาตเนี่ยค่ะชีวิตนี่ไร้ความหวังเลยนะสัมพวันติแปลว่าบังเกิดขึ้นสรุปก็ไอ้สัมพวันติท่านมุ่งอธิบายว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไอ้สัมพวันติเนี่ยแปลว่าย่อมมีขึ้นนะนะทีนี้มาดูโดยอัฏฐะแต่ละบทแต่ละคําไปเลยนะว่า อวิชชาคืออะไรอวิชชาเนี่ยลักษณะที่จตุกะนันมาเรียนลักษณะที่จตุกะของอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะหนัปาสะเวทนาเป็นต้นอวิชชามีความไม่รู้เป็นลักษณะไม่รู้เลยใช่ไหมว่าคนนี้เขาชื่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าทางนี้เข้าไปไหนอ่านหนังสือไม่ออกอย่างนี้หรือเปล่าเรียกว่าอาวิชชาไม่รู้อะไรทุกเขอญานังคือไม่รู้อริยศาสตร์นั่นแหละเรียกว่า อวิชชาไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเชื่อมโยงกันต่อไปอย่างไรนี่แหละเป็นลักษณะของอวิชชาเนี่ยนะอย่างสมมติถเราลืมตาขึ้นเนี่ยนะจักขคูจักขคูสมูทายจักขคูนิโรจักขคูนิโรถ้าคาไมนีปฏิปทาก็ไม่รู้เลยอันนี้ก็อวิชชาอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าต้นเหตุที่ทําให้มีจักขคูมายัางไงก็ไม่รู้เห็นแล้วสร้างจักขคูต่อไปอยังไงก็ไม่รู้ ความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงต่อการตอ ย, ย่ังไงก็ไม่รู้อันนี้แหละบอดสนิทเรียกบอดตาใสต่อไปนะอวิชานี่มีความหลงเป็นกิจสัมโมหะเนี่ยนะถ้าโดยสับแปลว่าลุ่มด้วยหลงด้วยนะลุ่มหลงเนี่ยเป็นยังไงแครว่ามันตกไปสู่ที่ต่ำแล้วมันเวียนไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยนะสมโมหะเนี่ยไอโมหะนี่โมหะแปลว่าแปลว่า ง, างโง่อยู่แล้วนะ แล้วสัมบอกว่าพร้อมด้วยความโง่เนี่ยนะมันว่ามันโง่ก็ถือว่าหนักเลยแล้วใช่มมันถึงกับเข่าไปเลยอะ่ะในลักษณะเนี่ยกิจของอวิชชาล่ะทำให้เขาไปเลยมีการปกปิดเป็นอาการปรากฏปิดอะไรปิดอริยสัจเนี่ยนะปิดอริยสัจปิดไม่ให้เห็นอดีตไม่ให้รู้อนาคตทั้งไม่ให้รู้อดีตและอานาคตอย่างเช่นเนี่ยคิดง่ายๆว่า ถ้าคนจะฆ่าสัตว์นี้เขารู้หรือไม่ว่าเขากำลังสาบแช่งให้ตัวเองถูกฆ่าอยู่ร่ําไปเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่ฆ่าหรอกยังไงเขาก็ไม่ฆ่าเพราะการเจตนาฆ่าเขาน่ะคือฆ่าตัวเองในอนาคตสาบให้ตัวเองถูกฆ่าในอนาคตแล้วมันจะต้องถูกฆ่าจริงๆด้วยนะถ้ายังอยู่ในวัฏฏะย่างไงยเพราะเขาจะทําไปทําไมถ้าเขารู้ความจริงไม่ทําหรอกยังไงก็ไม่ทําสมมุติถ้าเรา รู้ว่าการลักทรัพย์ของผู้อื่นเนี่ยการถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นนี่ก็คือสาบแช่งให้ตัวเองยากจนตลอดไปเนี่ยนะจะถือเอาไหมไม่ถือเอาการประพฤติผิดในคู่ครองเป็นต้นเนี่ยคือการสาบแช่งให้ตัวเองเนี่ยไปที่ไหนมีแต่คนเกลียดเนี่ยนะไปที่ไหนก็มีแต่คนจงเกลียดจงชังเนี่ยถ้ารู้อย่างนั้นจะทํำไหมไม่ทําถ้าหากว่ามูสาวาตเนี่ยการพูดเท็จก็คือหลอกตัวเองให้อะไรนะสาบแช่งให้ตัวเองไปที่ไหนให้คนหลอกเราหมดเลย ไปให้ไปที่ไหนก็ให้แต่คนไม่อย่าพูดความจริงกับเราเลยสาบแช่งตัวเองไว้อย่างนี้ตัวเองจะพูดไห ม, ไมพูดการดื่มสุราคือสาบให้ตัวเองเกิดมาเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นต้นทถามว่า น, น่าสนใจไหมไม่เอาใช่ไหมม่อวานก่อนหน่อยนะประเทศรัสเซีย้เด็กปัญญาอ่อนอยู่แล้วใช่ไเด็กปัญญาอ่อนหูหนวกแล้วถูกไฟไหมเนี่ยนี่ ก็เกิดมาก็คือกลุ่มเด็กพิการทางสติปัญญาทางสมองทางอะไรเนี่ยก็ไปอยู่รวมๆกันนะไฟฟา้ามัดวงจรไฟไหม้ทีนี้ไฟไหม้เนี่ยตายไปทั้งยี่สิบกว่าแล้วก็บาดเจ็บอีกเก้าสิบกว่าเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วหูหนวกด้วยมันต้องไปไล่ปลุกทีละคนกดกริ่งยังไงมันก็ไม่ได้ยินกดกริ่งเนี่ยจะบอกว่าไฟไหม้ไฟไห ม, ไไม้พวกนั้นเด็กหลับอยู่ใช่ไหมกดกริ่งเพื่อจะปลุกให้มันตื่นมันก็ไม่ตื่นนะ ห, หูมันเสียไปแล้วอ่ะ มาไปไล่ปลุกทีละคนนั้นตายไปตั้งเยอะแยะหนักขนาดไหนใช่ไหมพวกนี้แสดงว่าดื่มสุราด้วยมัวเมาด้วยแล้วก็ฆ่าด้วยนะนะปทุสรายสัตว์ด้วยพันเวลาอย่างในยุคนี้ตอนนี้ทั้งเมาด้วยทั้งปลานาติบาดด้วยไปต่างจังหวัดนี่หลายคนไปทําอะไรก็ไปกินเหล้าแล้วก็หาปลานั่นแหละทำอะไรนะนะก็เอาปลามาแกล้มเหล้ากันพันเวลาเนี่ยก็เลยตัวเองก็เกิดมาปัญญาอ่อนแล้วก็ถูกฆ่าต่อไปอีกถูกเผาโดยไม่มีเหตุผล อวิชานี่มีอาสวะเป็นเหตุไกลนะอาสวะอาสวะก็คือ ค, อความหมักหมมด้วยอำ น, นาจกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชานั่นแหละเป็นปัจจัยพันธสรุปว่าความโลภความเห็นผิดตัณหานี่แหละและอวิชานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีอวิชากุศลนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีอวิชามาดูสังขารสังขา น, นี่มีลักษณะอย่างไร อภิสังครนาเนี่ยนะอภิสังขรนาลักษณะปรุงแต่งงานของเขาก็คือแต่งทบแต่งชาติอย่างสมมุตินะอย่างขอมาพูดทุกคำเนี่ยที่พู ด, พ, ดพูดอยู่เนี่ยถ้าหากว่าไม่สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหรันตัดกิเลสไม่ได้เนี่ยคือคําพูดทุกคำนี่คือพูดสร้างชาติใหม่ทั้งหมดนะคำพูดเนี่ยสร้างชาติใหม่แต่ชาติเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะตามสมควรแก่เจตนางนั้นทุกคําที่เราพูดคือการพูดเพื่อสร้างภพชาติใหม่ ที่เราทําทั้งหมดทําเพื่อพบชาติใหม่ที่เราคิดทั้งหมดก็คือคิดเพื่อสร้างพบชาติใหม่เพราะนั่นอันนี้คือลักษณะของสังขารทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปถ้าเป็นบาปก็สร้างพบที่ไม่ดีถ้าบุญก็สร้างพบที่ดีอายุหณารสานี่นะมีการประมวลมาเป็นกิจประมวลมาอะไรประมวลมาซึ่งพบใหม่ชาติใหม่ก็ประมวลให้ไปเกิดในคันประมวลให้ไปเกิดในไข่ ประมวลให้ไปเกิดในสิ่งที่เกิดในที่ชุ่มที่สกปรกหรือประมวลให้เป็นโอปปาติกะแปล ง, ง่ายๆว่าประมวลไปเกิดในนรกเปรตสุรกายเดรฉานมนุษย์เทวดาเป็นต้นนะตัวมันเนี่ยประมวลให้ไปเป็นอย่างนั้นมีการจัดแจงเป็นอาการปรากฏจัดไปไหนมันจัดบอกเลยนะคำพูดเท่านี้นะคุณต้องเกิดที่นี่แล้วก็เวลาเกิดแล้วนะฉันจะไปอุปธรรมฉันจะไปเบียดเบียนฉันจะไปตัดรอนเนี่ยนะฟังเขาจัดแจงเบ็ดเสร็จหมด กรรมหรือเจตนาที่เกิดขึ้นเครียกว่าโอกาสสตุปปะนะมันเปิดอกเวลามันเกิดขึ้นมันจัดแจงผลิตผลงานเต็มที่เลยแหล ะ, นนะทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยท่านผู้ที่มีปัญาผู้ที่มีวิชามีความรู้จึงรู้เลยว่าหนึ่งคำพูดที่พูดออกต่อไปนี่อะไรคือผลในอนาคตเป็นต้นเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้านี่ตอบได้หมดเลยว่าในหนึ่งคำพูดที่แววออกไปเนี่ยเจตนาตัวนั้นอ่ะเช่น ให้ผลดวงที่หนึ่งให้ผลเมื่อไหร่ดวงที่เจดให้ผลเมื่อไหรสองถึงหให้ผลเมื่อไร่แล้วให้ผลเป็นยังไงให้ผลนําเกิดหรือให้ผลไปอุปรธรรมหรือไปเบียดเบียนหรือไปอุปคา่าเป็นต้ น, นพระองค์บอกได้หมดเลยพยากรณ์ได้เป๊ะหมดเลยแตนะ่พันธ์งานของเขาคือจัดแจงจัดแจงเพราะเวลคาพูดที่พูดหนึ่งคำนี่จัดแจงวัตตะเรียบร้อยแล้วนะนะถ้าไม่เห็นอริยศัพท์นี้ทําอะไรก็ทําไม่ได้มีวิชาเป็นเหตุใกล้ ถ้าสำรองอวิชานะกรรมตัวเนี้มันจะไม่ให้ผลเลยอย่างพระองค์ุลิมาจะไปทํากรรมเท่าไหร่แต่เนื่องจากท่านตัดอวิชชาได้เด็ดขาดกรรมเหล่านั้นไม่ให้ผลนําเกิดอีกเลยพระนนทนี่เป็นคนทําบุญมากจริงๆเพราะอานน์พระนนตัดอวิชชาหมดบุญก็ไม่ให้ผลพระองค์ุลิมาละอวิชชาทั้งหมดบาปเลยไม่ให้ผลพระนนละอวิชชาได้หมดเลยบุญก็เลยไม่ให้ผลน่าเสียดายไหม โอ้ยทำบุญเท่ากับพระอนุนน่าเสียดายเนะี่ยน่าจะเราเสวยผลบุญสะ ก, ก่อนองนี้ยรวเปล่าสวรรค์ผลบุญก็มานั่งแบบเราเนี่แหละเ <laughs> นี่ยกำลังสวยผลบุญเนี่ยนะชาราทุกวันทุกวันนี่แหละสวยผลบุญละต่อไปวิญญาณวิญญาณก็มีการรู้แจ้งเป็นลักษณะลักษณะของวิญญาณก็คือเช่นจกักรวิญญาณก็เห็นโสตวิญญาณก็ได้ยินคานาวิญญาณก็รู้กลิ่นก็คือรู้แจ้งอารมณ์ทั้ง6 วิญญาณนี้มีความเป็นหัวหน้าเป็นกิจมโนโปุพังขมาธรมมามโนเสธามโนโมายาอะนะตรงนี้บอกว่าปุพังขมะก็คือมีการเป็นหัวหน้าหัวหน้ารายหัวหน้าเจตสิกหัวหน้าจิตตชรูปเนี่ย น, นะพระวิวิญญาณนั้นมีการเป็นหัวหน้าจิตหัวหน้าเจตสิกหัวหน้าจิตตชรูปมีปฏิสนธิเป็นอาการปรากฏก็เอา เอาปฏิสนธิเพราะว่าการเกิดขึ้นในพบครั้งแรกเลยก็คือการปฏิสนธิใช่ไหมเพราะเมื่อปฏิสนธิแล้วจิตอย่างอื่นก็ตามมาเป็นขบวนหมดเลยเนะพอหลังจากเกิดมาแล้วก็จากครูวิญญาณโสตะวิญญาณเข ก, ก็เกิดขึ้นโดยลําดับมา น, นะมีสังขารเป็นเหตุใกล้เพราะว่ากรรมวิญญาณทั้งปฏิสนธิปวติวิญญาณพวกเนี้ยนะที่เป็นชาติวิบากก็ามา มาจากกรรมเพราะกรรมนี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดจกักรวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณเป็นต้นหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะวิญญาณเกิดขึ้นจะต้องมีวัตถุ ก, กับอารมณ์เป็นเหตุใกล้คืออาศัยตากับสีเกิดจกักรวิญญาณอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานาวิญญาณอาศัยลิ้นกับรสเกิดเชี่วหาวิญญาณอาศัยกายกับโพธาภาเกิดกายวิญญาณอาศัยมโนกับธรรมะเกิด มโมวิญนยานเพราะพวกนี้ถือว่าอาศัยวัตถุ ก, กับอารมณ์นั่นแหละทำให้เกิดขึ้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดส่วนานามนามคือเจตสิกมีการน้อมไปเป็นลักษณะนน้อมไปเป็นลักษณะอย่างเช่น ค, คิดในหนึ่งนะถ้าเป็นหน้าหนาวเลยอยากพิงไฟนี่ทำยังไงมันก็ต้องน้อมไปเพื่อรับรับความอบอุ่นใช่ไหมหรือนามเนี่ยนะน้อมไปเพื่อเช่น ร้อนๆนี่อยากจะดื่มน้ําเย็นๆนี่เป็นยังไงมันน้อมไปเพื่อจะรู้ไอ้รถที่เอ่อน้อมไปเพื่อจะรับสัมผัสที่เย็นเช่นน้อมไปเพื่อที่จะรับรู้รสหวานเป็นต้นเพราะลักษณะของนามน้อมไปเพื่อรับรู้อารมณ์เนี่ยนะเพราะน้ํานี่แหละน้อมไปน้อมให้ตาเนี่ยชะเง้อดูให้มันเห็นชัดๆสินะน้ำบอกว่าเงี่ยหูฟังหน่อยสิจะได้ยินชัดๆนะลักษณะของนามก็คือน้อมไปเพื่อรับรู้ นามนั้นมีสัมปโยคะเป็นกิตสัมปโยคะแปล ว, ว่าประกอบงานของเขาก็คือประกอบกับนามก็ประกอบกับนามด้วยแล้วก็ประกอบกับจิตด้วยสังขารคือนามตัวนี้พระองค์อุปมาเหมือนอะไร น, นะเหมือนกาบกล้วยใช่ไหมกากต้นกล้วยเนี่ยนะมันจะมีกาบมาหุ้มๆๆกันอยู่ใช่ไหมลักษณะนั้นนะ่ะนามเนี่ยประกอบกันแบบนั้นมีการไม่แยกจากกันเป็นอาการปรากฏเวทนาสัญญาสังขารมันแยกจากกันได้ไหมแยกจากวิญญาณอะไรได้ไหม แยกไม่ได้เรียกว่าอาวินิโพคะแปลว่าไม่แยกกันเลยแป ล, แปลว่าแปลว่าสัมปยุตนั่นแหละมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ถ้าไม่มีจิตนะเจตสิกจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้รูปมีการสลายไปเป็นลักษณะรูปปณะเนี่ยนะแปลเป็นภาษาไทยว่าเกิดแล้วตายแน่รูปยังไงต้องสลายแน่นอนหนาวก็ตายร้อนก็ตายไข้หวัดมาก็ตายอย่างเงี้ยแปลว่าตายแน่ รูปเนี่ยอนารมณะเป็นกิตกิตของเขาไม่รู้อะไรสักอย่างะนะอนารอนารมณนะไม่รับรู้อารมณ์ใดๆทั้งนั้นแหละถ้าหลับไปจิตไม่เกิดดูสิรูปเขาจะไปทําอะไรก็ได้หมดเลยใช่ไหมพัน <c oughs> รูปเนี่ยอนารมณนะไม่มีการรับรู้อะไรเลยแล้วก็มีภาวะเป็นสัมปโยคะตัวนี้แปลแปลอีกในหนึ่งเลยเนะว่าอัพยากะตะปัจจุปฐาน แปลตามวิพังเลยอธิบายได้ที่บอกว่ามีภาวะเป็นสัมปโยคะเป็นอาการปรากฏไม่รู้แปลว่าอะไรก็ไม่ทราบบาลีเขาบอกว่า อ, อับปะเหยยะภาวะก็แปลไม่ออกอีกแปลตามวิพังดีกว่าง่ายดีบอกว่าอัพยากะตะปัจจุ ป, ปถานนังคือความปรากฏของเขาคือเขาเป็นอัพยากะตะคือรูปไม่ใช่กุศลรูปไม่ใช่อกุศล รูปนี้กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลและอกุศลเลยเรียกว่าเป็นอพยากตะเพราะมันคือรู ป, ปธรรมน่นะมันเป็นรู ป, ปธรรมเท่านั้นแหละรูปเหล่านี้รูปมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้กรร ม, มัชรูปก็มีกรร ม, มวิญญาณเป็นเหตุใกล้จิตตะชรูก็มีมันนะมีมีจิตเป็นเหตุใกล้นั่นแหละต่อด้วยสลายยตนะนะมีการต่อเป็นลักษณะตากับสีต่อกันเกิด อ, อะไร หูกับเสียงต่อกันจมูกกับเปลิ่นต่อกันเป็นต้นเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นลักษณะของเขาคืออายตนะคือการต่อกัน <sim ul. S 1> พอตากับสีต่อกันก็มีการเห็นเป็นกิจนะกิจของเขาก็มีการเห็นถ้าหูกับเสียงต่อกันก็ได้ยินถ้าจมูกกับกลิ่นต่อกันก็รู้กลิ่นถ้าลิ้นกับรสต่อกันก็รู้รสไอ้ทำว่าต่อนี่ไม่ใช่ลากออกไปใช่ไหมเอามบางอย่างเนี่ยอะไรนะสานิทัศนสนาสัปปติคาธรรมะอนิทัศนสนาสัปปติคาธรรมะอนิทัศนสนาปฏิคาธรรมาเนี่ย อนิทัศนาปัปติคาทำมาหมายถึงว่าบางอย่างนี่เห็นได้กระทบได้เช่นตากับสีทั้งเห็นทั้งกระทบนีบางอย่างเนี่ยเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นหูกับเสียงจมูกกับเปลนลิ้นกับรสกายกับโพธาภาเนี่ยไม่เห็นน่ยแต่ว่ากระทบส่วนทางมโนทวานเนี่ยเห็นไม่ได้กระทบไม่ได้นะมาติการะสันิทัศนาสัปปติคาทำมมาอนิทัศนะสัปปติคาทำมมาอนิทัศนาปิติคาทำมาเนี่ยก็มีอยู่สามบท ในในติกะรมาติการสข้อสุดท้ายคงเคยได้ยินบ้างแล้วในงานสมนี่ต่อไปมีภาวะเป็นวัตถุและทวารเป็นอาการปรากฏเพราะอายตนะบางอย่างเป็นวัตถุเช่นตาเนี่ยนะตาเนี่ยจักขวาอายตนะเนี่ยเป็นวัตถุของจกักขวินยาณเป็นทวารของจกักขูทวารวิถีจิตหูเนี่ยเป็นวัตถุของโสตวินยาณ เป็นทวารของโสตถวโสตวิถีจิตจมูกเป็นวัตถุของคานวิญญาณเป็นทวารของคานวิถีจิตลิ้นเป็นวัตถุของชิีวหาวิญญาณเป็นทวารของเฉีวหาวิถีจิตกายเป็นเป็นวัตถุของกายะวิญญาณเป็นทวารของกายทวารวิถีจิตส่วนภวังนี่เป็นเป็นทวารอย่างเดียวไม่ได้เป็นวัตถุ ภวังนะรวังขจิตนี่เป็นทวาลแต่ไม่ใช่เป็นวัตไม่ได้เป็นวัตถุเราไม่ได้เป็นที่เกิดส่วนอายตนะเหล่านี้มีนามมีรูปเป็นเหตุใกล้อายตนะคือสีนี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาภูตรูปอายตนะคือสีเสียงกลิ่นรสนะนะพวกนี้มีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้อายตนะเช่นจักขูวิญญาณก็มีภาษาเวทนานะั่นแหละเป็นเหตุใกล้ภาษามีการถูกต้องเป็นลักษณะ พสนะเนี่ยนะ ก, กระทบนะมีการกระทบมีการถูกต้องมีการกระทบกันเป็นกิจมีการประจวบความประจวบของคำสามประการเรียกภาษาใช่ไหมทวารตาเช่นความประจวบของตาสีจากขวัวิญญาณเป็นภาษะความประจวบของหูเสียงโสตาวิญญาณเป็นภาษะความประจวบของจมูกกลิน่นคานะวิญญาณเป็นภาษะความประจวบของลิ้นรสชิวหาวิญญาณเรียกภาษะ ความประจวบกายโพธภาษายาวิญญาณเรียกภาษะความประจวบของมโนธรรมะมโนวิญญาณเรียกภาษามัญภาษาเนี่ยมีการประจวบการเป็นอาการปรากฏเนี่ยประจวบทำสามประการเนี่ยนะประจวบทำสามประการมีอายตนาเป็นเหตุใกล้ใกล้ก็เพราะตานี่แหละหลักๆเลยนะถ้าไม่มีตาเนะี ไม่มีภาษาร้องไม่มีหูก็ไม่มีภาษาไม่มีจมูกไม่มีล้นไม่มีกายไม่มีใจก็ไม่มีภาษาเพราะอายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุใกล้เวทนานี่มีการเสวยเป็นลักษณะเสวยแปลว่าอะไรบริโภคใช่ไหมรับประทานถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกอนะรู้สึกนั่นแหละมีการบริโภครถแทงอารมณ์เป็นกิจนั่นเองบริโภคอีกแล้วใช่ไหมก็ขบฉันอีกนั่นแหละ ก็ก็จริงอ่ะนะเช่นว่าถ้ารับอารมณ์ที่เป็นทุกข์หละหมายค ว, าว่ารับถ้ารับอารมณ์ที่เลวซามก็บริโภคความทุกข์ไปถ้ารับอารมณ์ที่ดีก็บริโภคความสุขไปถ้ารับอารมณ์ธรรมดาทั่วๆไปก็เฉยไปเนี่ยนะพะะนันก็เลยเรียกว่าบริโภคก็ได้บริโภครสชาติแห่งอารมณ์เช่นว่าถ้าหากว่าเอาความร้อนมาสัมผัสกับผิวกายเนี่ยบริโภคความทุกข์ไปเลยใช่ถ้าเอา อ, อารมณ์ที่ดีๆโพธภิภที่พอเหมาะนี้ก็บริโภคความสุขไปเวทนาคือบริโภครสชาติของอารมณ์แตถ้าอิทธารมสุขเวทนาถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนาก่อให้เกิดความสุขถ้าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก่อให้เกิดความทุกข์เพราะนั้นใครอยากมีความสุขก็คิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองคิดถึงสิ่งที่ตัวเองน่าปรารถนาที่สุด แต่ก็ไม่ใช่ว่าปรารถนาพอคิดถึงอะไรความหวังปั๊บทุกทันทีเลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะหมายความว่านึกถึงในส่วนที่น่าปรารถนาโดยส่วนเดียวนี้จะมีแต่ความสุขแต่ถ้าเริ่มอะไรนะคิดเพราะว่าไม่สมหวังล้ถ้าอย่างนี้ทุกแน่สรุปว่าเวทนานี้มีการเสวยรสแห่งอารมณ์เป็นกิจบริโภครสแห่งอารมณ์มีสุขทุกและเป็นอาการปรากฏเนี่ยเห็นได้ยะเห็นได้ชัดก็เพราะมีความสุขและความทุกข แต่ยมันแสดงอาการออกมาให้เห็นมีภาษาเป็นเหตุใกล้ถ้าไม่เห็นจะเสียใจหรือบางภาพบางอย่างความเสียใจบางอย่างนะถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเสียใจหรือบางอย่างถ้าไม่ได้ยินจกเสียใจหรือเพราะภาษาแท้เลยนะเพราะกระทบมาทวานนะนั้นอย่างบางเรื่องเนี่ยนะถ้าไม่คิดมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์นะเก็บมาคิดทําไมอย่างงี้ย น, นะคิดจนไม่สบายใจก็ไม่บางทีคิดไปคิดมานั่งยิ้มแป้อยู่คนเดียวเพราะภาษาทาง ภาษาทางมนโนทวาร น, นั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสุขและความทุกข์ตัณหาเลยนะตัณหามีความเป็นเหตุเป็นลักษณะตัณหานี่เหตุอะไรตัณหาี่เหตุแห่งวัตตะนั่นแหละลักษณะของเขาก็คือต้นตอของวัตตะนะกิจของเขาคือเพลินอย่างเดียวเพลิดเพลินนันที่นะเพลินมีความสุขนะมีการไม่อิ่มเป็นอาการปรากฏ แปลว่ามันหิวตลอดเลยนะตันหาเนี่ยกระหายตลอดหิวตลอดเลยไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอมันมีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มกระหายอยู่นั่นแหละก็เลยเรียกว่าไม่อิ่มเป็นอาการปรากฏมีเวทนาเป็นเหตุใกล้แสดงว่าเวทนาทุกเวทนาเนี่ยเป็นเหตุใต้ให้เกิดตันหาหมดเลยเพราะเวทนาเนี่ยนะมันมันใครจะรู้สึกว่าพอกับเวทนาสักทีมีไหม ถ้าไม่เจริญอนุปัสนาเจ็ดนะอยากคิดนะว่าเวทนาเหล่านั้นจะไม่เป็นปัจจัยแห่งตัณหามาดูอุปาทานอุปาทานนี่มีการยึดถือยึดมั่นเป็นลักษณะอุปาทานนี่มันยึดว่าอย่างไงยึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่างามยึดว่าเป็นอัตตาเนี่ยคือภารกิจของเขาอะเขายึดว่าอย่างนั้นน่ยยึดมั่นก็คือยึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่างามยึดว่าเป็นอัตตา แล้วก็ไม่ปล่อยนะมันต้องเที่ยงสิพอไม่เที่ยงเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนนะเพราะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยว่าเป็นอ่าเป็นไม่เที่ยงไม่ยอมปล่อยว่าเป็นทุกข์ไม่ยอมปล่อยว่าเป็นอนัตตาเป็นต้นเพราะพวกนี้มันจะไม่ปล่อยเลยมันจะวางว่สบายอย่างเดียวสุขอย่างเดียวมีทิฏฐิคือความถือมั่นด้วยอํานาจตัณหาเป็นอาการปรากฏก็คือผลออกมาที่เห็นชัดก็คือมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอาการปรากฏมีตัณหาเป็นเหตุไกล้ เพราะอะไรนะเพราะเพลินนั่นแหละจึงยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็เพราะความเพลิดเพลินน่ยนะเพราะเพลินในสิ่งใดก็จะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราใช่ไหมแต่ถ้าอะไรให้ความทุกข์ขึ้นมาอยากพูดไหมว่าเป็นของเราไม่แอ่าหาแพป้รับบาปซะหน่อย <S <S <S แกเนี่ยเพราะแกแท้เลยนะแต่ถ้าอะไรที่นํานมาซึ่งความสบายใจข้าพเจ้าเองเนี่ยนะยิ้มแป้รับหน้าชื่นตาบานเลย ภพนั้นมีกรรมและผลแห่งกรรมเป็นลักษณะกรรมมาภพนะคือเจตนากับผลของกรรมเป็นลักษณะนลักษณะของเขาคือเป็นกรรมและเป็นผลของกรรมมีการเกิดคืออุปาติภพให้เกิดคือกรรมมาภพเป็นกิจงานของเขาคือนำเกิดแล้วก็ความเกิดมีกุศลและอกุศลเป็นอยากมีกุศลอกุศลอัพยากะตะเป็นอาการปรากฏผลที่ออกมาก็คือเนี่ย กุศลอกุศลหมายถึงอะไรกรรมภาพบอพยกะตะคืออุปัติภพนะนะอภยกตะคืออุปัติภพมีอุปาทานเป็นเหตุใกล้เพราะความยึดถือนั่นแลลวทำให้ทำกรรมทำให้ได้รับวิบากชาติมีการเกิดก่อนในภพนั้นนั้นเป็นลักษณะกว่าปฏิสนธิครั้งแรกในภพนั้นนั้นเรียกว่าชาติเสนอตัวไปเกิดที่ไหนก่อน นะการเสนอเสนอตัวในพบต่างๆนั่นแหละเรียกว่าชาติแหบวบขึ้นมาแล้วแวบบมาอีกทีหนึ่งอยู่ในคันเงนี้ยนานะนอนไปตอแปดเก้าเดือนมนุษย์นะมันเป็นอามนุษย์ลอะอามนุษย์เช่นเนราชานเป็นต้นเนี่ยนะพราไม่กี่เดือนแนะมีการขยายออกไปเป็นกิจเนี่ยนะขยายอะไรขยายไปหาชร า, าสิ มีการเกิดในภพนี้จากอดีตภพเป็นอาการปรากฏแสดงว่าที่มาเกิดภพนี้แสดงว่าตายแล้วจากชาติที่แล้ว น, นะจุติจึงมาปฏิสนธิแปล ว, ว่าเคลื่อนจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอาการปรากฏแล้วก็ซักเคลื่อนจากปัจจุบันก็ไหลไปหาอนาคตเพราะในการเกิดขึ้นครั้งแรกณนั้นน่นนะณนะที่นั้นๆน่นนะเรียกว่าชาติมีความวิจิตแห่งทุกข์เป็นเหตุใกล้ มันวิจิตแห่งทุกข์เป็นวิจิตยังไงวิจิตแปลว่าพิสดารก็ได้ใช่มีอะไรมั่งพอเกิดมาแล้วนะทุกที่อย่างลงสู่คันทุกเพราะอยู่ในคันทุกเพราะการบริหารคันทุกเพราะคันวิบัติทุกที่เกิดจากการคลอดจากคันทุกเพราะหลังจากคลอดมาแล้วก็ทุกอย่างปัจจุบันนี่แหละแต่หลายคนก็มีบุญก็บอกเขาไม่เห็นทุกข์อะไรเลยเพราะงั้นชรามีความแกงง อ, อมแห่งคันเป็นลักษณะ แต่ง่อมเลยนะเป็นยังไงบ้างผมก็ไล่ทีละทีละอย่างนะผมเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เล็บก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หนังก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้สวดทรงก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเริ่มไปเรื่อยนั่นแหละชราแล้วล่ะชรามันทํางานเต็มที่แล้วล่ะนั้นใครเห็นปั๊บตอนแรกก็สวัสดีน้องไงตอนหลังก็สวัสดีพี่แล้วก็ป้าเริ่มตําแหน่งไปเรื่อยๆนั่นแหละแสดงว่าชรามากแล้วมีการนําเข้าไปหาความตายเป็นกิจเนี่ยนะ ชาราเท่าไรเขาบอกอายุเท่าไรแล้วตอนหลังไม่ค่อยอยากตอบเลยเนะาะหมายคขาว่าเอ๊ะมันจะเป็นนักโทษประหารเต็มทีแล้วอีกไม่นานเนาะมันก็แปลใครมาถามว่าอายุเท่าไราแล้วแสดงใจเหลือเกินนะเพราะชารานี่มันนําไปสู่ซึ่งความตายถ้าบอกว่าตัวเอง50แล้วก็เหลือไม่กี่ปีถ้าบอกว่า60ก็ไม่กี่ปีถ้าบอกว่า70 80ดิถ้าไปบอกว่า90ด้วยแล้วไม่ต้องคุยกันละ มีการทําความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้พี่นาฏเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะมันทําลายความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกไปเสียสิ้นเลยนะก็เลยเหลือแต่หนุ่มน้อยสาวน้อยนะความเป็นหนุ่มเหลือน้อยเต็มทีความสาวก็เหลือน้อยเต็มทีเนี่ยนะต่อไปมรณะมีจุติเป็นลักษณะมรณะแปลว่าเคลื่อนนะจุติแปลว่าเคลื่อนเคลื่อนจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งนะมีการพลัดพลาดเป็นกิจ พลาดเลยนะพลาดจากบุตรจากภรรยาจากทรัพย์สินแก้แวแหวนเงินทองจากทุกอย่างหมดเลยจากแล้วเรียกว่าจากจากแบบถึงกลับมาอีกก็ไม่ยอมรับมัน <c oughs> จากจริงๆเลยนะสมมุตินะเอาถ้าหากว่าเราบอกว่าสแสวงหาอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วเคลื่อนไปแล้วไปตายที่ตระกูลอื่นแล้วกลับมาใหม่นะ <c oughs> ก็ไม่ยอมรับก่า <c oughs> จากแล้วจากเลยนะฉันไม่ยอมรับแกอีกต่อไปนะยนะ แล้วจากแล้ววันหลังมาบอกว่าเด็กคนนี้มาบอกว่าฉันเป็นพ่อแม่ของเธอนะรับไหมคุณพ่อสวัสดีข้าอย่างี้หรือว่าคุณแม่สวัสดีข้าไมันจากแล้วจากเลยท่านเรียกว่าพลัดพรากเป็นกิจอะจากแล้วจากเลยเนี่ยนะถึงเจอกันใหม่ก็ไม่ยอมรับลเธอจากแล้วจากเลยมีคติวิปวาาเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะคติวิปวาในหมายความว่าคติวิปวาาเนี่ย วิปวะนี่แปลว่าปราดวาสานี่แปลว่าการอยู่วิปแปลว่าเคลื่อนจากไปคือจากคติเนี่ยนะเช่นว่าจากคติจากมนุสคติเรียบร้อยแล้วนั่นเคลื่อนจากมนุสคติเรียบร้อยแล้วเคลื่อนจากเทวคตินั่นนะเคลื่อนจากคตินั่นแหละมันมีการอยู่ปราศจากคตินี่มาจากบาลีวัคคติวิปวาะแปลว่าเคลื่อนจากคติออกไปเช่นเคลื่อนจากมนุษย์เคลื่อนจากเทวดาเคลื่อนจากพรหมนี่แหละ นะภาษาไทยเขามาแปลไม่ได้ก็เลยไปเอาแปลบาลีดีกว่าสนุกดีคติวิปวาปว่าแปลว่าเคลื่อนจากคติเนี่ยนะโสกะมีความหมห่นไหมในภายในเป็นลักษณะหมห่นไหมกับตรอมตรมเหมือนกันเลยถ้าหมนหม่นีม่แปลว่าไม่ใส่เลยใช่ไหมหม่นด้วยไหมด้วยนี่เกรียมเลยนะเคยปิ้งปลาบ่าแล้วลืมไหมนะหรือทอดจนไหมหมดนะั่นไงมีความตรอมตรมใจเป็นกิจตรอมตร ม, ตรม ตรมตรมแปลว่าหนักใจมากเลยใช่ไหมมีอะไรเนาะทําให้ใจเนี่ยตรมตรมขนาดนั้นแสดงว่าวัตถุที่ทําให้ตรมขนาดนั้นแสดงว่าวัตถุนั้นนี่รักมากเลยน ะ, ะมีความเศร้าโศกถึงเป็นอาการปรากฏเนี่ย น, นะแปลภาษาไทยว่าละห้อยหาคิดอยู่นั่นแหละนี่นะถ้าเขาอยู่นะถ้ามีนะก็รําพึงอยู่นั่นแหละ ปริเทวะมีความบ่นเพิ่เป็นลักษณะบ่นเพิ่มแล้วว่ายังไงพูดแล้วพูดอีกอนน้ย้ำอยู่นั่นแหละวันหนึ่งตั้ง 5,000 ันรอบอย่างเงี้ยนะลูกเอ้ยลูกเอ้ยเป็นต้นเนี่ยแหละลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนก็พูดอย่างนั้นแหะอันนี้เรียกว่า บ, บ่นเพิ่ใช่ไหมบ่นเพิ่คือจากสิ่งใดแล้วบ่นถึงสิ่งนั้นบ่อยๆหรือเคยมีสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นไม่มีพูดแล้วพูดอีกเรียกว่าปริเทวะแล้วบ่นถึงอยู่นั่นแหละ มีระบุถึงคุณและโทษเป็นกิจระบุถึงคุณนะสมมุติถ้าเราจากสมมุติว่าใครที่พ่อแม่ตายใช่ไหมอุย้ยพ่อแม่มีคุณมากอย่างนั้นอย่างนี้พูดถึงคุณแล้วก็ตําหนิตัวเองนะตอนท่านมีชีวิตอยู่เสียใจเหลือเกินที่ไม่ได้เลี้ยงดูปูเสือก้อนไปอย่างนั้นแหละก็ <c oughs> มีแม่อยู่คนหนึ่งที่ลูกเขาตายเขาระบุถึงคุณของลูกลูกของเรานะดีว่านอนสอนง่ายเนี่ยนะ โทษของตัวเองแหมยังไม่ได้เลี้ยงเขาตามที่อยากต้องการอยากจะเลี้ยงเขาให้ดีกว่านี้แต่ก็ทำไม่ได้ก็ระบุถึงคนถึงโทษเนี่ยนะตำหนิตัวเองแล้วก็ระลึกถึงอุปการะคุณของผู้ที่ตายไปนั่นแหละเป็นอากา ร, ปรเป็นเป็นกิจของเขาภารกิจของของความบ่นเนี่ยบ่นถึงอะไรอ๊ยเขามีคุณจริงๆตำหนิตัวเองแหมเราทำไม่ดีเราทำไม่เพียงพอ พ่อแม่มีคุณกับเราเหลือเกินแต่เรานี่สิตอบแทนคุณท่านไม่ดีก็ร้องให้อันนี้ไม่ใช่แสดงละครนะแต่ว่ามันพูดถึงไอ้พวกโศกจริงๆอ่ะนะแต่พวกแสดงละครเอาอย่างอื่นก็ไม่ไม่ไม่พูดถึงณนะที่นี้มีการสลดใจเป็นอาการปรากฏก็คือสังเวชใจเหลือเกินเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เหลือแต่โลงศพเหลือแต่เหลือแต่หลุมฝังศพเป็นต้นก็เลยแหมสังเวชเหลือเกิน ส่วนทุกทุๆมีการบีบคั้นกายเป็นลักษณะอันนเจ็บปวดมากปวดหัวปวดฟันตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรก็ว่าไปครับบีบคั้นมากบีบตรงนั้นๆเนี่ยนะบีบจนเมื่อยหมดเลยนะนละุเลี้ยงเนาะมีความทุรพลทางกายและก็รั้งเอาโทมานัดเป็นกิจอันะสุขภาพก่อใหม่ดีอ่อนเปลี้ยวหมดเรียเร่ยวหมดแรงเนี่ยนะแล้วก็ฮ่าเรียกว่าเก็บได้แต่ความน้อยเนื้อต่ําใจมาแล้วใช่ไหม กายก็ลำบากแล้วก็หนักใจอีกต่างหากเพราะฉะนั้นยิ่งป่วยมากก็ยิ่งหนักใจเพิ่มขึ้นเท่านั้น <c oughs> เท่านั้นเ <c oughs> ท่านั้นเท่านั้นเนี่ยนะก็เลยรั้งเอาแต่ความเสียใจมาเนี่ยเนีถ้าฉันสุขภาพดีกว่านี้นะไม่ <c oughs> เป็นอย่างนี้หรอกไงล่ะก็บน่นเลฮะเรียกว่าคิดจนเศร้าอะ่ะเคยเคยสังเกตดูเคยไปเยี่ยมคนคไข้ไหมล่ะ <c oughs> ปวดกายแล้วก็พูดเพื่อจะได้สบายพูดเพื่อจะลำบากใจเนี่ยนะพูดยิ่งพูดยิ่งลำบากใจนะป่วยทางกายแล้วก็ดึ ง, ด, งดึงรั้งเอาความป่วยทางใจเข้ามาอีก มีการอาภาษทางกายเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะอาภาษทางกายก็แล้วแต่ว่าโรคอะไรก็ตามสมควรแก่สิ่งนั้นไปส่วนโทมนัตมีการบีบคั้นจิตเป็นลักษณะเนี่ยนะมันบีบใจซะจนอะไรเคยเสียใจไหมนั่นแหละใจนี่ถูกบีบมีความคับแค้นใจเป็นกิจมีพยาที่ความเจ็บป่วยทางใจเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะไขใจได้เกิดขึ้นแล้ว นนก็เลยเป็นความไข้าทางจิตใจเป็นความอาภาษทางจิตใจขึ้นส่วนอุปายาตมีความตรอมใจเป็นลักษณะตรอมใจเฉาไปหมดเลยนะมีความทอดถอนถึงเป็นกิจได้แต่หายใจเฮือกเลยนะเขาบอกว่าใครที่อยู่ๆแล้วก็หายใจหนักๆหลายๆครั้งเนี่แสดงว่าโรคทางจิตได้กำเริบพอสมควรว น, นี่แหละเดอยู่ก็แล้วก็อีกพักหนึ่งก็อีกแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าหนักมากแล้ว หาอยู่้ายาหรือพักผ่นได้แล้วเนี่ยนะมีการปราศจากความเชื่อมชื่นใจเป็นอาการปรากฏเนี่ยแสดงว่าเหมือนกับบัวเริ่มแรงน้ำแล้วใช่ไหมต้นไม้ที่ขาดน้ำรดอ่ะนะมันก็ไม่มีความสดชื่นเลยทางจิตใจเนียนะเรียกว่ากินก็กินก็อย่งางนั้นอย่งางนั้นแหละนอนก็อย่งางนั้นอย่งางนั้นแหละก็มีแต่ความเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆสรุปว่าธรรม ะ, ะปัจจัยธรรมมียวิชาเป็นต้น อนนะอาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปโดยลัคณาที่จตุกะก็ดังที่กล่าวไปแล้วก็บอกว่าอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นต้นเนี่ยชีวิตที่เป็นไปในวัฏฏะเนี่ยมีอาวิชาเป็นปัจจัยไม่ใช่เกิดจากพระเจ้าสร้างขึ้นเนี่ยนะอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลา ย, ยตนะที่ไหลไปนในวะะัฏฏะใครมาสร้างให้เราสมมุติอนะโสกกะปริเทวะมาจากไหนก็มาจากชาติ ชาติมาจากไหนก็มาจากพบเป็นต้นสิ่งนี้ใครมาสร้างให้เพราะปัจจัยธรรมเป็นไปปัจยุบันธรรมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุและตามปัจใจเกวรสะไม่ปะตนหรือล้นล้วนทุขขันตระสะแปลว่าความประชมแห่งกองทุกล้นล้วนนี้ไม่ใช่การประชมของสัตว์ไม่ใช่ประชมของชีวะ ไม่ใช่ประชุมของอัตตาที่ไหนหรอกมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะที่ไหลไปสืบเนื่องไปในความเป็นเหตุและเป็นผลเชื่อมโยงกันอย่างนี้พันวัตตทุก์ทั้งหลายก็เกิดด้วยประการอย่างนี้มีวิชาเป็นปัจจัยเป็นต้นส่วนพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุป บ, บาทแล้วพระองค์อุทานว่าเป็นยังไงสงสัยเป็นกลางคืนนั่นแหะนี่ต่อเวลาให้ตั้งเกือบ10นาทีนะช่วงบ่ายนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน ด้วยกุศลที่ได้เจริญร่วมกันเนี่ยนะก็ขอให้เราทั้งหลายได้แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทนะได้ทราบซึ้งเห็นอริยศัสตร์ตางพระพุทธเจ้าทั่วกัน